ขออนุญาตนาสาธารณท่านสาธุชนทั้งหลายระสูจน์ในวันนี้คงเป็นเรื่องของโวสตัสูตรที่ได้พูดคายขังไว้ในวันก่อนพระเจ้าทรงจำแนกการรักษาศีลของบุคคลไว้เป็นสามประเภทคือรักษาแบบคนเลี้ยงโค รัาแบบนิครนรัษ า, า, า, าแบบพระริยะการรัษาแบบพระยะนั้นยังทรงกระจายออกไปโดยความคิดประลรหรือประรบพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธคุณประลธร ร, รมประ ร, ระริยสงฆ์ก็ยึดถือท่านเป็นแบบเป็นหลัก แล้วก็พยายามปฏิบัติตนให้ผสมกลุ่มกลืนกับคุณของท่านในส่วนของโบสถ์ศี์นั้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสีข้อแรกเนี่ยเป็นศีลหลักหมายความว่าใครละเมิดมันก็ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมล้วสาคนทั่วโลก จะเป็นพระฤราาือารวะก็ตามไม่ได้เกี่ยววันเวลาโทษที่เกิดเนี่ท่านจะเรียกเป็นสองกลุ่มก็เรียกวันโลกรวัชชาเป็นนี่คนเอาไปพูดเดยอะคือไม่เข้าใจกรรมโล ก, กวัชชะนั้นหมายความมาผิดทั่วโลกเช่นฆ่าคนตายในผิดทั่วโลกฆ่าที่ไหนก็ผิดลักทรัพย์ที่ผิดทั่วโลก ประพฤติผิดทางประเวณีนี่ผิดตัวโลกโลกโหกในผิดตัวโลกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปณัติวัชชะมันเป็นบทบัญญตัติมันก็คล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับกฎหมายของไครกับกฎหมายของแผ่นดินใหญ่จีนรือการผิดกฎหมายจีนบางมาตราก็ไม่จําเป็นจะต้องผิดที่เมืองไทยนะ และการบริบาตถูกตามกฎหมายของจีนนะอาจจะผิดที่เมืองไทยก็ได้โดนปกครองโดยรัฐทมนคนละอย่างกันอันนี้ก็เรียกเป็นปัญติวาชะามันเป็นบทบัญญัติของสถานที่นั้นๆเท่านั้นเกี่ยวกับเงื่อนไขยะเกี่ยวกับกลุ่มคนบุคคลสถานะของเราสภาพแวดล้อมต่างๆทำอย่างเงี้ยในสถานที่หนึ่งถูกสถานที่หนึ่งผิดกับบุคคลนหนึ่งถูกกับบุคคลในหนึ่งผิด ในเวลาหนึ่งถูกเวลาหนึ่งผิดอัเ น, นี้ยมันไม่เหมือนการคาดสัตว์รักษาพระพุทธผิดนะครับวันนี้ผิดตลอดแม้แต่พรจะคาดก็ผิดนะนะฮะในแง่ของธรรมะมันก็ผิดธรรมะเป็นศีลที่เราเรียกว่าขัดเก่าจิตใจของคนไปก่อนก่อนก็ได้พูดตัององค์ประกอบในการตัดสินตัวเองนะฮะตัดสินตัวเองว่า แต่ปิดสิทธือไม่ผิดศิทประดาธิบาดนั้นมีองค์ห้าสัตว์นั้นต้องมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตเราตั้งจิตคิดจะฆ่าทําความพยายามจะฆ่าสัตว์ตายด้วยความพยายามอันนี้ถือว่าในแง่ศีลนะขาดแต่ในแง่ธรรมะนี่บางทางบางครั้งมันอาจจะไม่ครบนั่นก็ได้เพาอะไรเพราะคนที่เราไปฆ่ า, ขาเขาเนี่ยเขาปลูกอคาตาิเราไม่รู้ อย่างที่เล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเย็บจีวรแล้วก็ไปแทงมันเลนตายเล้งมันผูกเล่นมันผูกอาฆาตต่อมาก็หมุนวนกันมาเรื่อยๆในยุคพุทธกาลภิกษุนั้นก็มาเป็นภิกษุเล่นก็มาเป็นไม่ใช่เล่นมาเป็นนายพรานเล่นมาเป็นนายพรานภิกษุมาเป็นภิกษุภิกษุเห็นนายพรานก็หลบ อยู่ที่พุกไม้พอนายพรานเดินผ่านมาท่านก็ขยับตัวอีกไม้ก็ไหวนายพรานนื้ว่าสัตว์ก็แทงชั่วเข้าไปพระก็ตายนี่เราจะเห็นว่าพระเองท่านก็ไม่ได้เจตนาะนายพรานเองก็ไม่ได้เจตนาเราเรียกว่าเป็นเวร อ, อ, อธินาทานนั้น ก็มีองค์ห้าเหมือนกันนะครับือทรัพน์นั้นเจ้าของก็หวงแขนเรารู้ว่าเจ้าของก็หวงแหนเขาเรียกมีไตยจิตคือตั้งจิตคิดจะลักเพราะศีนเนี่ยมันมันมันต้องมีเจตนานะฮะไม่ใช่ว่านิ่งๆจะผิดไปเรื่อยมีเจตนาที่จะลักใช้ความพยายามในการลักทำยังไงก็ได้นะฮะลักลักเองสั่งคนอื่นลักเอาเก็บซ่อนไว้ก่อนหรือเอาของมาเปลี่ยน เอาของราคาถูกมาเปลี่ยนของราคาแพงนะฮะเรียนทําทเพชปรปลอมขึ้นมาไปเปลี่ยนเพชรจริงอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ได้ของนั้นมาด้วยความพยายามได้มันโดยวิธีใดก็ตามว่าสรุปเราได้มาตรงนี้สําหรับพระขยศ ก, กับกับคารวาต่างกันศีลชื่อเหมือนกันนะนะฮแต่พระต่างกันของพระเช่นเช่นสมมุติว่าเราเราไปเห็นอะไรเขาราคา จำนวนหนึ่งเงี้ฮะแล้วก็อยากได้รูปรูปความด้วยความอยากได้นี่ก็ปรับบำบัดละจับต้องด้วยความอยากได้นะแล้วก็ขยับให้ขยื่อนเนี่ก็ถือว่าโทษหนักขึนแล้วพอเลื่อนจากตรงตรงเนี้ยเลื่อนเลือเล่อนจากที่วางเนี่ยถือว่าขาดละพระนี่ปรับแล้วแต่โยมยังไม่ปรับนะะโยมยังไม่ปรับโยมต้องได้ของนั้นมาก่อนแล้วเจ้าของต้องสละสิทธิ์เห็นไหมเงื่อนไขในเจ้าของต้องสละสิทธิ์ เพั้นเราเราถึงพบว่าโยมุปถากของพระโมคคลลานะมีโจรจับลูกของท่านไปเป็นตัวประกันพระโมคคลลานะใช้ฤทธิ์ไปแย่งมาเลยเอ๊ะมันมั น, มนคล้ๆกับไปแย่งของที่จริงไม่ใช่โจรนะนะฮะคือว่าของนะั้ยังเป็นของโยงมลูกยังเป็นของโยมอยู่โยมกยังไม่สละสิทธิ์นนกย็ยังรักษาอยู่ท่านสํานวนมาเรียเรียกยังรักษาอยู่ แต่ประคบราษฎิก็ก็ขาดอาพรำนั้นที่ยรงมีองค์สามตานั้นเองนะฮะความเป็นวัตถุที่ก็ล่วงละเมิดกันแล้วคือจิตคิดจะล่วงละเมิดแล้วก็ล่วงละเมิดก็จบก็จะเป็นการกระทําโดยใครก็ตามเหมือนกันหมดไอ้ตัวนี้เหมือนกันหมดนะฮะเหมือนกันหมดทั้งพระทั้งกระลาวะ แต่ว่าศีลกามเอกศีล น, นรรมต่างกันแต่ศีลนรรมแล้วก็ผิดหมดนะแต่ศีลกามเอกไม่แน่มีรายละเอียดอีกมีรายละเอียดอีกอาจจะไม่ถึงก็ผิดศีลแต่เขาเรียกว่าผิดธรรมจริยาอย่าในหนังสือเ อ, อนิเทศรธรรมที่ท่นานทั้งหลายได้รับไปไม่ทราบอ่านหรเปาก็ เขาจำแนกผู้หญิงไว้เป็นยี่สิบประเภทเป็นกามีสุมิชาจารย์เจ็ดประเภทแรกและสิบสามประเภทหลังนั้นไม่เป็นกามีสุมิชาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดประเภทแรกนั้นไม่เป็นกามีสุมิชาจารย์สิบสามประเภทหลังเป็นกามีสุมิชาจาร์แต่ไอ้ไอ้ไอ้สาไอ้เจ็ดประเภทนั่นแหละไม่ผิดตรงนี้แต่มันผิดธรรมะเขาเรียกว่าอาธรรมมจริย มันไม่มีอะไรไม่ไม่ผิดเพราะถ้าทําไปด้วยอํานาจข อ, ของกิเลสแล้วในแง่ของธรรมะแล้วก็ผิดดังนั้นเพียงแต่ ว, ว่าผิดระดับศีลหรือผิดระดับไหนสุราสุราที่จริงก็มีองค์สามสิ่งนั้นเป็นสุราสราีนะเรารู้ว่าเป็นสุราแล้วตั้งจิตคิดจะดืม่มแล้วก็ดืม่มก็ไปถ้าเป็นพระนรี่รู้ไม่รู้ก็ผิด พระจะมีองค์สามตอนั้นเองถึงนั้นเป็นสุราและเราเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามก็เราก็ดื่มเ่ยตั้งใจดื่มหรือไม่ตั้งใจดื่ ม, ม, มก็ตามก็ถือว่าดื่มก็ไปก็ถือว่าผิดแล้วแต่ถ้าโยมชาวบ้านเนี่ยก็ถือมีองค์สี่ไอชาวบ้านต้องรู้นะฮะทั้งรู้ซ ก, ก่อนว่าเป็นสุราแล้วตั้งใจกินจะดื่มแล้วก็ดื่มก็ไปแต่ทีนี้ไอ้สุรามันก็อยู่สองแห่งอย่างที่เรารู้เนี่ย มันเป็นศีลแล้วก็เป็นอบอายามุกอบายามุกเป็นเลยนะะเป็นไปนเลยแต่ศีลก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่นแน่ไม่แน่ว่าเราตั้งใจหรือเปล่าแต่เราไม่ตั้งใจก็ตามชาบ้านยังไม่ผิดนะฮะก็เคยมีการถกเฉียงกันเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยในวงวิชาการนะ ในองค์า ก, การเฉียงกันแรงว่าศีลห้าข้อเนี่ยข้อไหนมีโทษหนักที่สุดถึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากไปตอบสุราจะเยอะเลยไปตอบสุราเฉยๆคือศีลเนี่ยโทษมากโทษน้อยเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบสี่อย่างสามอย่างนะฮะสามอย่างหนึ่งสิ่งนั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อย สเจตนาหยาบหรือไม่หยาบสามความพยายามมากหรือความพยายามน้อยมันจะอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นว่าห้าข้อนนนเนี้ยคนนี่มีคุณมากที่สุดคนนี่มันมีคุณมากที่สุดชีวิตนี่มันมีคุณมากที่สุดแล้วยิ่งถ้าคนนั้นมีคุณมากเช่นพ่อแม่พระอาหารหันตพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันจะไปสอดคล้องอะไตรงนั้นพระสงค์เนี่ย เราไปเบียดเบียนไปทำลายนี่ยจะบาปมากเพราะเราพระเจตนาตรองชั่วร้ายมากนะเจตนาต้องชั่วร้ายมากนะเาามกืม่อวานเนี่ยมีคนก็อัดเทปมาแล้วเขาก็มานั่งล่ามาเป็นเป็นสุภาพสตรีมีคนจ้างให้เขาวางยาพระรูปหนึ่งก็ให้ยี่สิบล้านรวยจังจ้างให้ฆ่าพระยี่สิบล้าน ใจบาปมากเนี่ยแสดงว่าใจบาปมากเลยพระไม่ทำอะไรใครแนะๆพระนี่ค่าง่ายที่สุดเลยก่าง่ายที่สุดเอา อ, อาหารไม่ถาวายทีเดียวก็ตายแล้วจ้างลงทุนจ้างยี่สิบล้านแสดงหเห็นว่าจิตใจในี่โหเทียงมากตนความพยายามก็มาก แต่ว่าต้องใต่องต้องวางแผนต้องหายาพิษต้องจ้างคนนึ่งคิดอยู่ตลอดคิดเป็นบาปตลอดแง่คิดเป็นบาปตลอดความาคาดมารายเลินบาปมาก็มากไอ้สุราที่เขาบอกว่าโทษมากก็เมาเมามเล่าแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เขาไม่ได้ปรับเพราะสุรานะฮะปรับเพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่ได้ปรับเพราะดื่มสุรา แต่ปลาพ่อค้าพ่อค้าแม่เพราะงั้นตัวหลักก็คือชีวิตมันก็เรียงตามลำดับอยู่แล้วนะครับพระพุทธเจ้าแตนเรียงไว้แล้วชีวิตทหนึ่งชีวิตถ้าไม่มีทรัพย์มันก็อยู่ไม่ได้เพราะงั้นทรัพย์ก็สองแต่ถ้ามีชีวิตมีทรัพย์ในคู่ครองมีก็มีมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันไม่แปลกอะไรมีก็คือสามการติดต่อสัมพันธ์กับคนทั้งหลายนะั้นเป็นอันดับสี่เพราะเราเป็นสัตว์สังคม ถ้า ต, ติดต่อกันในทางล่างผลาญในทางเบียดเบียนโกหกกันก็ถือว่าเป็นความผิดสุราก็รองลงมาอย่างที่บอกไว้ก่นอนว่าสุรานั้นเป็นอบายเมุกสุรามันจะมีอยู่เฉพาะในศีลห้านะเห็นไหมว่ากุศลกบทไม่มีสุราอากุศลกบฏนะอกุศลกบฏไม่มีสุราแต่แม้แต่าการงดเว้นในกุศลกบทก็ไม่มีสุราจริงๆมันก็มีแค่สี่ ทีนี้วิกาลาโพเนี่ยมันเป็นศีลเขาเรียกว่าศีลพรหมจรรย์คือธรรมะปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนานั้นต้องการจะลดละ ก, กิเลสโล ก, โกุโงประทำยังไงว่าให้กิเลสโล ก, โกุโดงมันลดลงธรรมะมันก็เพิ่มขึ้นทีนี้ศีลศีลเนี่ยศีลศีลพรหมจรรย์ศีลบสถ์เนี่ย เรีอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าศีลแปเรียกอย่างหนึ่งว่าเรียกศีลโบสถ์ก็ข้อมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าช่วงเวลารักษาแตกต่างกันแต่รักษาโบสถ์มันก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้ารักษาไปศีลแปดมันก็รักษาแบบนิตยศศีก็รักษาได้ไปเรื่อยเวลาบาลีนี่ท่านว่าคือให้ยึดถือเรียกอารยธรรมโบสถประหารตั้งหลายในโลกนี้ งดเว้นจากการบริโภคอาหารเมื <ata> <S <s ้อเดียวงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาราตรีเราเวลานี้ขณะนี้เราก็งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาราตรีเราก็ปฏิบัติตามประหารในเวลานี้ขณะนี้นะฮะวันนึงก็ขึ้นเลยอย่างนี้ แล้วก็สมาทนเพื่อต้องการจะบรรเทาความกำหนัดในอารมณ์ของการยรษาศีลข้อที่สามันประณีตขึ้นก็ เ, เรียกว่าเป็นปัจจัยทีจริงๆมาตรงนี้มันเป็นปัจจัยเฉยๆนะฮะเป็นปัจจัยเฉยๆที่จะทำให้สามารถประพฤติปฏิบัติในด้านศีลข้อที่สามให้ประณีตมากขึ้น มันตรงนี้ก็คืออาหารที่เป็นของโขคี้วเราตั้งจิตคิดจะกินนอกเวลานะฮะแล้วก็กินเข้าไปมันก็ขาดแล้วมันขาดจิตเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่รักษาเฉพาะโรคจิตอย่างเดียวแต่รักษาโรคกายด้วยพระเจ้าก็ดูแลนะฮะดูแล เพราะว่าหลักสำคัญอยู่ที่ผูชเฉลี่ัตถันยูตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคพันอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปบางทีต้เรียกว่ามัตตัยูตารู้จักประมาณ อ, อ, อาหารที่สุกกำหนดไว้เนี่ยหรือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบริหารร่างกายธรรมดาปฏิบัติธรรมดามันก็พอนะ แต่ว่าบางทีในเขาเรียกสารทธาดูอย่างช่วงเนี้ยนะฮะช่วงเนี้ยมันหนาวอเมริกาอินเดียนี่หนาวเดือนตุลานี่หนาวน่าดูเลยปรากฏว่าพระอยู่ไม่ได้หิวพอตกตอนเย็นก็หิวมันเกิดเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าก็มาทดสอบดูตัวเองสองเรื่องนะเรื่องหิวกับเรื่องเรื่องเรื่องขมเรื่องเรื่องหนาวปรากฏว่า ก็นหนาวจริงๆนี่จีวรชั้นเดียวองาไม่อยู่เที่ยงคืนก็มาเพิ่มสองชั้นอยู่ได้นะแต่วันเดือกมาป ร, กรากฏไม่อยู่ไร้รุ่งก็ต้องเอามาสามชั้นเพราะงั้นจึงเพิ่มจีวรเป็นสามชั้นแล้วก็อนุญาตให้พราชสันเนยใส่ในยคนน้ํามันน้ําพึ้งน้ำอ้อยได้พวกนเนยใส่ในยคนก็จะช่วยนะฮะเมืองหนาวเราจะเห็นว่าพวกเนยพวกเนยพวกนมเนียน่ยจะช่วยมา แล้วก็อนุญาตน้ําป่านะทีนี้บางทีพระป่วยดูคนป่วยทําไงเราจะเห็นว่าจริงจรงคนป่วยเนี่ยน้ําน้ําข้าวต้มเนี่ยฉันได้นะะกินได้น้ําก็ต้๋เหมือนกินได้กลองน้ําเนื้อน้ํสาสัตว์น้ำอะไรแต่ใดที่จริงแบรนด์เบอร์นั้นก็ฉันได้กินได้แต่ว่าพระเขาไม่ฉันกันแต่นะั้นเองก็ บางทีมันก็เป็นดูประธานธิปิจันทร์นั่นะมันไม่ใช่อยู่ในบินัยหรอกคือคือการปฏิบัติในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเรานับถือสัจธรรมแบบสืบสืบแบบสืบสืบกันมาลักษณะนคนไทยก็คือขี้เกียจอ่านหนังสือเป็นลักษณะประจําชาติเลยไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ชอบพูดนะรู้น้อยพูดมาก ชอบพู้ทุกเรื่องนะฮะเราฟังผู้แทนอภิปรายแล้วตัวบางทีเชยหน้าอินดูวมางๆเลยวางเมื่อวานมาวฟังมาตั้ว่าเอ๊ะพวกนี้มันมันหน้าอินดูม า, าไม่ก็รู้ภาษาไทยเลยบางทีคําใช้ตัวเยอะนะฮะเป็นคําเป็นคําลิเกนะกล่าวถึงมูนีฤษีดาบทอง์พระนักพรตประสิทธาว่าแล้วพระก็เดินพระก็ ด, ดําเนินพระก็คลายคลาฤษีเดินนะมันวาดอะไรั้งเยอะเลยคำสองคามันมาวาดแต่เยอะเลย อันนี้คือคือคือมันมันไม่ได้ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นเพราะการถือตรงนี้บางทีเราไม่ได้ดูที่จริงแล้วนมฉันได้นะครับตาเนี่ยบาลีท่านบอกไปเลยแล้วพระสูตรตัวตะกสูตรในปฏิสัมพิธาบ้างแต่ว่าเราก็ถือแบบไม่ฐานเพราะไม่ฉันแล้วชักยุ่งเลยตอนนี้ข้อพ่เมตก็ฉันไม่ได้เลยธรรมยุทธ์นะฮะไม่ฉัน ข้อพิมเม็ดที่จริงไม่มีอะไรเป็นพืชเพียงแต่สีขาวเพียงแต่สีขาวเราก็อุปาทานกันนมเห็นว่านมสีขาวเลยไม่ฉันข้อพีมเม็ดด้วยที่จริงถ้าโยมจะทางนระทานได้นะสีแปดเพราะว่าการวินิจฉัยกินได้ตะกีบได้พระเจ้าท่านวางเอาไว้ก็เรียกมาประเทศไปเทียบเคียงได้หมดเทียบเคียงได้หมดเอามาดูขอดูส่วนผสมแล้วจะวินิจฉัยได้ทันทีได้ สีเป็นยังไงช่างมันกิ่นรถเป็นยังไงช่างหมานขอรู้ส่วนผสมเท่านั้นเองแล้วจะบอกดาวิาฉันได้หรือไม่ได้แต่ถ้าไม่รู้ส่วนผสมบอกไม่ได้นะต้องบอกส่วนผสมมาให้ผสมอะไรแล้วในแง่วินไนนะแง่วินไนนี่ฉันได้แต่อย่าลืมว่าสังคมมันมีจารีตมันเป็นอุปท า, านไปเฉยๆคือสร้างขึ้นมา เพีแต่ว่าเวลานี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปอามาว่าสีนแปดถิ้นวัสนรักษาง่ายมากรักษาง่ายมาเม้นมีอะไรไม้นมีอะไรหนักหนาเลยกวิกาก็อย่างั้น่างั้นะนะก็ที่จริงก็ดีนั ง, งดอาหารได้บ้างเราลองนึกดูถ้าเมืองไทยเราช่วยกันรักษาโควิดสินนะเอาสักประมาพยากรเราห้าสิบแปดล้านเราเอาสักขนาดสามสิบล้านเอายี่บห้าล้านก็น ทุกคนรักษาศีล อ, อุโบสถเดือนละสี่ครั้งประหยัดอาหารไม่รู้สักกี่พันตันเนี่ยนะเอาไปช่วยคนยากจนได้มหาศาลเลยเนี่ยเราเราอดเุกคนเดียวนะช่วยคนจนที่กำลังอดเราอดได้บุญ น, นะฮะแล้วเอาไปช่วยคนคนจนได้บุญด้วยคือได้ทั้งศีลทั้งานได้ทั้งศีลทั้งาน ลองมาคิดดูนะคิดเป็นเงินก็นหลายร้อยล้านสี่มือนะมือต้องกินกี่บาทนะทุกวันเนี่ยหลายบาทเ่มันก็ช่วยอะไรได้เยอะอคือไม่ได้ไม่ได้เฉพาะทางทางทา ง, งสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราทางสังคมทางครอบครัวทางอะไรอะไรไม่ช่วยช่วยเยอะนัจจะยีตะวะดิตวิสุขทัศนาแต่นัจจะเนี่ย ขอนรำขับร้องประโคมดนตรีดิดสีที่เป่าเนี่ยเป็นเรื่องเราเองนะเราเองนะไม่ไม่ใช่ไปดูเขานะฮะแต่วิสูกรัศนาคือไปดูไปดูการกระทำเช่นนั้นเพราะาตรงนี้เราทำเองก็ผิดคนอื่นทำก็ผิดสิ่งนั้นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการแสดงเราตาั้งจิตคิดจะไปดูแล้วก็ดูทีนี้ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันดูเพื่ออะไร เราจะเห็นว่าภาษาดิบุตรพระโมคกัลานะเองก็เกิดความคิดเพราะการดูมรสุสันติมหามาตเนี่ยดูนางระ บ, บำไร่รับแล้วก็รำ ม, มากแกต้องการในตัวแกอดแกอดอาหารรำๆจะเป็นลมร่วงพลอยลงไปเลยพิจารณาเห็นสังขารเกิดดับกับพลอยที่ม้วนตัวพลอยลงไปดับ คั้งแรกมันก็โศกแรงมากเลยเพราะพระพุทธเจ้าจุดประกายตรงนี้มาพิจารณาบนหลังชางบรรลุมรรคผลเป็นพระหานไปเลยเพราะฉะนไอตัวได้รำในที่จริงไม่แน่แล่วในใ น, ในทางปฏิบัติธรรมาพระเองก็ก็ไม่ได้นันอะไรเช่นสมมติเราจะเดินผ่านแล้วก็ไปเห็นข้าวก็ไม่ได้ปรับเป็นอาบัติอะไรมันก็อยู่ที่การพิจารณา ถาพิจารณาให้เกิดเป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมะมันอยู่ที่ใครคิดอย่างไงแต่นั่นเองไงนะฮะอยู่ที่ใครคิดอย่างไงแต่นั้นเองพิจารณาให้เกิดกิเลสก็เกิดกิเลสแต่ทีนี้จิตใจเราเนี่ยมันโน้มเอียงไปทางกิเลสอยู่เยอะพวกนี้มีลักษณะไวไฟหมายความว่ามันใกล้ต่อกิเลสใกล้ต่อราคะใกล้ต่อโลภะใกล้ต่อโทสะใกล้ต่อโมหะตามที่มีการแสแดงในที่นั้น อาจารยที่เคยเล่าถึงมนุษย์คนหนึ่งที่มากราบทูนถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องการเป็นนักแสดงเนี่ยบอกถือด้วยบุญตายไปแล้วจะบังเกิดเป็นเทพประบุพราะว่าให้ความรื่นเริงบันเทิงแก่ชาวบ้านก็ครูบาอาจารย์ก็สอนมาอย่างนั้นก็ไปกราบทุนถานพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเปล่า ต่างก่อประวิญา ก, ก็ไม่เคยตอบไปเรื่องกระทบกระเทือนคนเนี่ยไม่ค่ยตอบก็ขอร้องอ้อนวอนพิธีการต่างในสุดก็ตอบประสงทรแสดงว่าพิจริงมันไม่ใช่ขึ้นสวรรคมันตกนรกเพราะอะไรเพราะว่าไปยั่วคนที่ยังไม่มีโทสะให้มีโทสะยั่วไม่ไม่มีราคะให้มีราคะยั่วไม่มีโมหะให้มีโมหะ ไม่มีโลภะให้เกิดโลภะขึ้นมาแล้วลองสังเกตเราไปดูพวกเหล่านี้จิตใจเราจะแปรผันไปอ่เช่นดูศึกสงครามพมา่านี่อยากฆ่าพมา่าไปเลยอไทยรบกับพมา่าเนี่เกิดอยากฆ่าพมา่าไปได้เลยกดน้องก็มองภายน้อยอนะไรต่ออะไรเนี่ยเราถือตัวไหเราจะเห็นว่าจิตเรเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนไป มีราคมีโทสะมีโมหะมีโลภะเกิดขึ้นไปเลยแล้วคนเหล่านั้นเองก็ต้องสอดสอยอารมณ์แต่ว่าไม่มีโมหะคือมันเป็นลวงเละเป็นหลอกลวงเป็นเรื่องของสัจธรรมไอ้เราสังเกตภาษีนี่จริงเข้าถึงสัจธรรมเยอะต้องการให้สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นธรรมชาติ เราสัมผัสสิ่งต่างๆนั้นตามธรรมชาติจะปรุงแต่งมากเพราะว่าคนที่ถูกปรุงแต่งก็จะหลงไอ้ตัวปรุงแต่งก็คือหลงผู้ที่ปรุงแต่งเองก็คือหลงหลงโลกนะเราก็หลงแล้วอาจจะโกรธอาจจะโลภอาจจะหลงก็ไม่รู้นะอาจจะเกิดราคะโทสะโมหะเกิดมาตามสิ่งที่ที่เราได้เห็นทีนี้ อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันก็มีสองตอนภูณะจะกีตวัดิตะมาลาอะไรอะไรนะฮะมันมีสองตอนหรือถ้าเราปัญญาเราดีพอเนี่ยเรียกว่าดูด้วยโยในสมบบรสิการมันก็ได้ประโยชน์เพราะมีเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ช่วยเยอะช่วยเห็นถึงสัจจชีวิตที่เป็นชั้นๆๆๆนชั้น แต่แม้แต่ดอกไม้เครื่องประดับประดาต่างๆเราจะเห็นถึงความเกิดดับที่มันมีการแปรผันไปเปลี่ยนแปลงไปก็เห็นอะไรได้เยอะนะฮะหมายความว่าตัวมันที่จริงมีลักษณะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแต่พื้นฐานของปัญญาคนต้องมากนะ้าไม่งั้นแล้วก็เป๋หมดเลยเป็นกันแต่เพราะว่าพื้นฐานระดับนี้มันมันไม่ มีคนน้อยเพราะงั้นต้องตัดซะก่อนตัดไม่ให้ไปดูซะก่อนแล้วค่อยค่อยไปดูทีหลังตรงนี้ให้เองสังเกตว่าแม้แต่รากศขซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานในเรียกวสุภกรรมฐานเนี่ยไม่ใชใ่ดูได้ง่ายๆนะเดี๋ยวพระเอามาออกโทรทัศน์ออกวิทยุอยู่นี่เขาไม่สอนก็นอย่างนั้นหรอกพูะเจ้าไม่ใช่ให้ดูง่ายๆ คนต้องพร้อมมากมากสภาพศพนั้นต้องพร้อมมองในแนวศพแนวเดียวมองในแนวผีน่ากลัวก็ไม่ได้มองในแนวที่ใจเกิดกำหนัดเพลิดเพลินปรุงแต่งเอาก็ไม่ได้คนสภาพศพนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเขาจะไม่ดูทั้งศพจะให้ดูเป็นตอนเนตอน่ยตัดศพเป็ น, ป น, นาสามตอนไม่จะเอามีดมาตัดนะฮะเอาอะไรมาคลุมไว้แล้วก็ดูเป็นตอนตอนดูเป็นตอนตอนไปเพื่อป้องกันความกลัวแล้วเพื่อป้องกัน ร, ราคะ คือให้มองในแนวของอสุภะได้อย่างเดียวก็ต้องไม่ยืนเหนือลมไม่ยืนใต้ลมไม่อยู่ไกลเกินไปไม่อยู่ใกล้เกินไปไกลเกินไปก็มองเห็นไม่ชัดใกล้เกินไปก็ถูกกลิ่นรบกวนอะอยู่ใต้ลมก็เหม็นผินนะฮะอยู่เหนือลมเขาบอกว่าอสุรกายจะไม่พอใจสิ่งที่สถิตอยู่ตรงนั้นนะฮะมันจะไม่พอใจ เมื่อวานเนี่ยไปโรงพยาบาลไปเกิดเป็นอาการเขาเรียกไงงูสวัสดอะไรปวดหัวมปสองสามวันนี่มันเป็นยังไงนึกว่ามันปวดธรรมดานะะเลยก็ไปเลยก็นั่งคุยกับหมอปคุยกับหมอถึงพระพุทธ ร, รูปก็สร้างพระพุทธ ร, รูปแล้วก็ตั้งใจว่าจะถวายพระนามครับตั้งชื่ อ, อยังไงดี ตอนเขาทำวิทยามาก็ไปช่วยไปไปช่วยอสวให้เขาอนะแล้วก็มีคนหนึ่งทีที่เขาฝึกมาทางจิตนะเนี่ยนะฮะไปด้วยกันก็ไปกราบหมอก็ไม่เคยบอกอะผู้หญิงคนนี้พอกราบเสร็จแกก็หันมาบอกหมอว่าพระพุทธรูปบอกว่าให้เรียกท่านมาหลวงพ่อเพชรม่ใช่พรพุทธรูปบอกนะมาก็ ไ, ได้วรดาที่รักษาระพุรูป เทวดาเทวดาที่รพุทธรูปบอกว่าให้เรียกว่าหลวงพ่อเพชรตอนนี้ชักดังชักดังขึ้นมาได้มาก็ไปสร้างไว้ที่อำเภอศรีชนให้เด็กไหว่อยู่ทางทางเข้าออกโรงเรียนเด็กต้องเดินไหวทุกคนปรากฏวันประดิษฐานมีคนมาไหว้ไปบอกหวยให้ก็นี่ไปคนถูกหวยก็ชักดังใหญ่อันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อบอกนะเทวดาที่รักษา เทวดาจะรักษาคือพระบางรูปเนี่ยเทวดาเข้าไปรักษาเทวดาเป็นเป็นไ ป, นปนคุ้มครองไปดูแลมัเกิดเป็นเป็นอย่า ง, งานั้นเพราะนตรงนี้ที่ยริงศก ม, มันก็มีเหมือนกันทีมีอสุรกายมีคนมีอะไรแหะเขาเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรอะไรเขาอะไรนะทิฏฐาัางกรก็ก็มาดูก็มาฐามนะเนี่ยระดับก็มาถานก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ให้เข้าไปยืนเนื้อลมถือว่า จะทาให้กลิ่นตัวเราเนี่ยไปกระทบไปกระทบเขาแล้วก็ซื้อดุลินเขาสร้างปัญหาอีกคือเขาเขาเขาไม่ให้ดูไปบ่อยแล้วก็ไม่ใช่กรรมฐานทั่วไปก็นแล้วกันนชะ่ไหมฮะไม่ใช่กรรมฐานทั่วไปที่ว่าคนทุกคนจะไปปฏิบัติอย่างนั้นได้มันเจาะจงสำหรับคนที่ปัญหาจะดิบกล้าปัญญาน้อยปัญหากล้าปัญญาน้อย คนอื่นก็ดูสาวเป็นศพไอ้พวกนี้ดูศพเป็นสาวชักยุ่งโรงา น, นมันต้องเอากันใหญ่เลยต้องต้องใช้ศบศพเหม็นหึ่งเลยถ้าเขาเอาเอ า, เอาข้ามาช่วยเนี่ยนะฮะทีนี้ข้ออุจจาเนี่ยอุจจาเสยนะนะครับไม่ใช่นั่งนะเมืองไทยตีเป็นว่านั่งมาตั้งนานแล้วเอามาอาม า, า, า, าจานอยู มาใจในพุทเจ้าบอกว่านอนนะมันบไม่ดวกว่านอนไม่ใช่นั่งอุจาศยานะแปลว่าที่นอนสูงหมาศยานาแปลว่าที่นอนใหญ่เว้นจากการนั่งไอ้เว้นเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ะภายในมีนุ่นเลยสมรีนั้นว่ากันทีหลังอันที่จริงเ น, นี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าไปอธิบายที่อื่น ลักษณะการทำที่นอนเลยว่าทำยังไงยังไงยังไงเราจะยัดอะไรได้บ้างใบไม้ไมปยัดได้ไห้อะไรเปลือกไม้ยัดได้ไหมเราก็ได้เราก็ได้แต่ว่าพอมึงถึ ง, ถ, งถึงนุ่นสำนํำลีปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้เขาก็แปลใส่เข้าไปบาลีไม่ได้มีคํานี้เลยดูหรอกอันนี้ก็คือเป็นศีนที่เรารักษาวันหนึ่งก็คือหนึ่งไม่ถึงยี่สี่ชั่วโมงประมาณยี่สิบชั่วโมง จ ร, รจริงจริขาดสวหัสจากการหนึ่งจริงคืออดข้าวไปมือหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไระนะเราจะลองลองสังเกจริงจริงไม่อดข้าวไปมือเดียวเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่ปวัวจะหิวก็กินตอนเพลินมั่วๆแล้วกันมันก็อยู่ได้แล้วนะไม่เห็นมีอะไรนักหนามันเป็นอุปท า, านอุปท า, านไปไปยึดติดเอาเวยเฉย มันมันก็เหมือนกับคนบางแห่งนะมนท้องติ่นชมฉุนระบบเนี่ยต้องกินข้าวนะกินอย่าอื่นกินอย่าอื่นไม่หายหิวกินขนมปังก็ไม่หายหิวขนมจีนก็ไม่หา ย, ห, ายหีวเอาเข้าวยำยังไม่หายหิวอีกอมันอะไรกันมันอุ ป, ปทานนะมันเกิดด้อุปทานมันมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่กินข้าวที่จริงก็คือการนะก็คือการแปลว่า มันเป็นอุปถาตที่สร้างเห็นแล้วท่านมีความรู้สึกของท่านอย่างนั้นท่านไม่หิวของท่านตรงนี้ถ้าปั้งใจรักษาแล้วมาว่าจริงๆน่าจะรักษาว่าอายุขนาดนี้แล้ ว, วนะฮะหาดรักษาบุตสวดก็เยอะมากอย่างในอย่างในพระบุตสวดเวลาลาสมถทานศีลดังลั่นเลยนะฮะพอขึ้นวิการเงียบเลย <laughs> มีเสียคนรอมแรลมรอมแหลมอยู่นั่นน่ะม่ แสดงว่าคนยังไม่กล้ารักษารักษาดีฝึกรักษาดีแล้วท่านเหนว่ามันจะเบาจะสลับสลัวยะ จ, ะจะไม่คมีอะไรรุงรังกันนะฮะมมีอะไรรุงรังอะไรแต่ก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าข้ออับพลันั้นไม่ได้หมายความว่าถูกต้องร่างกายผู้ชายถูกต้องผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงถูกต้องผู้ชายไม่ได้มันเป็นสิ่งของชาวบ้านถูกต้องได้ห้ามเรื่องเพศสัมพันธ์เทานั้นเองไม่ได้ห้ามเรื่องอื่นเลย ศีลมันก็มีระดับหยาบระดับกลางระดับประณีตศีลระดับนั้นเป็นศีลของนักบวชไม่ใช่ศีลของพระแล้วไม่จช่ไม่ใช่ศีลของาาชาว บ, บ้านแร้วทีนี้พูดถึงอานิสงส์รงชัยกันว่ามีอานิสงส์มากมายอย่างไงมีผลไพศาลกว้างขวางอย่างไงตรงยกประมาว่าผลของของของเนี่ยของอุโบสถศีลเนี่ย เมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันดีกว่าผลของการเป็นพระพระาชาในสิบกแคว้นสิบกแคว้นเนี่ยสิบแคว้นอังคามกทกาสีโกศลวัชีมันละเจตีวังสกุรุปัญจลมัจจาสุรเสนาอสกาวันตีคันดารคัมโพชะเป็นมหาชนนบทสมัยพุทธกาลอาณาจักรสิบกแคว้นมันก็หมดทั้งอินเดียเลยเป็นไม่เป็นดินในอินเดียก็แล้วกันเอาพูด ง, งนะ่ายๆอย่านั้ เป็นพระราชาปกครองอินเดียทั้งประเทศมันก็สู้อานิสงค์ของโวโสุดไม่ได้ทําไมเพราะว่าการเป็นพระราชามันเป็นช่วงสั้นๆชีวิตมันสั้นนิดเดียวมันไม่กี่วันเน่ยเราก็ตายแล้วแล้วในขณะที่เป็นพระราชาต้องทําบาปเยอะต้องสั่งฆ่าคนสมัยราชาการที่สี่เนี่ยท่านเจริญได้การที่สท่านเป็นนักบวชมันก็เสนอขึ้นไปต้องลงพระปรามาภิเษย ให้ฆ่าโกนนะท่านก็ไม่อยากยุ่งนั่นกลัวบาวท่านนะท่านมีวิธีอันี้วิธีสั่งว่าให้เวลานั้นเท่านั้นนาทีต่นนั้นวินาทีไม่มีใครทำตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเลยไปแล้วท่านถือว่าทํานไม่รับผิดชอบท่านสั่งให้ทาในนั้นวินาทีแต่นั้นเองทำผิดทำผิดคาสั่งท่านรับผิดชอบเป็นทำให้สบายใจทำให้รู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้เกี่ยวอันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขาทางวินยัย ในการพิจารณาสืบสวนสอบสวนทางวินัยละเจน้ดว่าจะมีเงื่อนไขอะไรอยู่เยอะเลยคนถ้าถ้ารอบรู้นะฮะถ้ารอบรู้ี่จะเข้าใจอะไรมากๆแต่เสียนิดเดียวว่าคนเรารู้ไม่รู้พูดหมดนี่ ม, นมนันมันน่าช้าอีกตรงเนี้ยถ้าไม่รู้หยุดพูดเสมั่งก็เนเดยในอย่างที่บอกว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่ชี้ก็ดีแล้วจะไม่รู้นี่ชี้นี่ยุ่งมากๆหลย บางคนรู้แต่ไม่ยอมชี้มันก็มีปัญหาไม่ช่วยเหลือสังคมวันที่ถูกต้องคือรู้อะไรก็ชี้เรื่องเหล่านั้นเท่านั้นชี้เฉพาะที่เรารู้อ่ะปัญหาจะน้อยลงไปแยะได้ที่เมื่อเมื่อวานเนี่ยฟังรัฐมนูลจนมาส่งไปที่ส่งส่งเออโตไปที่รัฐสภาให้ลูกศิษย์เขา <laughs> จะบอกร่างมานั่งอ่านเยนี้ <laughs> เอามาทั้งเล่มเลยบล่มเลยนั่งอ่านกันเออพวกนี้บางทีมัน ยกร่างนั้นอ่านฉบาบร่างเลยเชยมากกว่านั้นเยอะเลยนะรุงรังไปหมดเลยนะคำเนี่ยมันรุงรังเลยกัน <c oughs> คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่พูดมากเขาต้องพูดคําสั้นๆเหมือนกับสัพปะ ป, า ป, าปะภาษาการนังนะการไม่ทําบาปต้ตองพวงนี่พอแล้วนะพูดคําเดียวเท่านั้นก็พอแล้วเป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดมากแต่มีเนื้อหามากมีเนื้อหามากเขาไม่พูดมากหรอก พูดเด็กเขาเรียกว่าพูดกฎหมายรองพูดกฎหมายรัฐธรรมนูญพูดมากก็ได้แล้วของของอะไรของอเมริกามี27มาตราของเราในกี่ร้อยไมู่เนี่ยเล่มบะเล่มสักแค่สองร้อยกว่าก็อันิี่สูงคือผลเนี่ยสงแสดงว่าเราลองนึกดูว่าการเป็นประชาชาคือที่ประสงค์ไใชคือพวกสมบัติมนุษยสมบัตินะฮะมนุษยสมบัติ แต่ว่าศีลเนี่ยมาให้สมบัติสามต่างกันเนได้ชัดมากศีลให้สมบัติสามมาให้ทั้งพวกสมบัติให้ทั้งมนุษย์สมบัติแล้วก็ให้ทั้งสวรสสวรค์สมบัติทีนี้สวรรค์สมบัติมันก็มีความประณีตตามศีลที่ประณีตตามศีลที่ประณีตมันก็เหมือนใดเหมือนกับการได้รับตําแหน่งงานของเราที่แตกต่างกันตามพื้นฐานความรู้ความสามารถของเราความรู้เราเรืยิ่งสูงความสามารถยิ่งสูงงานเรายยิ่งสูงตําแหน่งเรายิ่งสูง สถานะเรายิ่งสูงมันสูงไปหมดเลยมันสูงตรงไหนมันสูงที่จิตมันสูงเห็นมันสูงมันมันมาเกิดมาจากผลที่จิตมันสูงคือรู้สูงนะรู้สูงมีคุณธรรมสูงมันก็สูงกันไปเลยและยิ่งคุณธรรมสูงยิ่งสูงใหญ่เลยมันก่อนไปอบรมที่คลองคลองคลเปรมนะอบรมข้าราชการไอ้กรมราชธารเนี่ยไม่ค่อยความเทสอะ วันนั้นก็ดีเขาจะรับเครื่องอินเดียพออะไรแต่ไรเขานะฮะกังหันฟังเทกันเนี่ก็บอกอธิบดีเขาบอกการเป็นผู้ใหญ่นะต้องเล็กนะถ้าใหญ่แล้วไม่ได้เล็กถ้าเล็กแล้วจึงใหญ่ไปยทรายสำนวนบอกว่าจากสูงสุดนีต้องคืนสู่สามัญในได้หมายความเราอยู่ยังไงก็ตามเราต้องลงดินเ็าเรียกท่าจิตจินเนี่ย เรายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเราให้ดูเป็นแบบมาตรฐานชีวิตคนสูงต้องอยู่ต่ำต้องลงมาต่ำแล้วจะได้ขึ้นสูงขึ้นสูงโดยประชาชนเทิดทูนขึ้นไว้เหนือจิตใจของเขาเดี๋ยวแม้แต่ว่ามีภัยมีอันตรายคนปกป้องอย่างอะไรอดีตและดีเห็นไหมคนรับรองผู้ประเพนะ่นคนนี้คนก็เชื่อนะเขาเป็นหกเดือนจริงคนเชื่อเขานะ ทำงานมาดีๆแล้วถูกเพื่อนโยนอุจาราสัยกันเลยแย่ไปเลยประชาชนออกมาปกป้องเฝ้าทั้งครึ่งวันใเมื่อวานไม่ใช่ครึ่งวันนะครึ่วันไปเลยอันนี้ก็คือก็คือเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสูงสุดคือเป็นราชกลุ่มาาแล้วท่านลงสู่สามัญคือเป็นนักบวชเร่ร่อนครั้งแรกนะชุดหนึงนะชุดหนึงนะจากนักบวชเร่ร่อนเนี่ยพยายามปฏิบัติจนขึ้นสู่สูงสุดคือศัสรู แต่ทเรศเสร็จพระองค์ลงสู่สามัญคือครุขีกรัราษฎรเดินท่อมท่อมอ ม, อ ม, อ ม, อ ม, อมราษฎรจากสามัญตรงนี้ราษฎรก็ทูลขึ้นสูงสุดเหนือเกล้าเกศาะไรราษฎรเป็นคนยกขึ้นไปนะยกขึ้นไปแต่ยกขึ้นเพราะพระองค์ลงมาทีนี้ถ้าถ้าสูงแล้วลอยตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่ข้างบนเหมือนลูกปง่งปเดี๋ยวก็แตกมันไม่มีอะไรรองนะประชาชนเป็นฐานรอง ใครไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าไม่ได้นะราษฎรพุทธศาสนิกเขาไม่อยอมเราปกป้องรักษาไว้นั้นจากสูงสุดขึ้นสู่สามัญจากสามัญสู่สูงสุ ด, ส ด, สดจากสูงสุดขึ้นสู่สามัญจากสามัญขึ้นสู่สูงสุ ด, สดแล้วกม็มันมีแบบทั้งหมดแะราชการที่ห้าทำไมอยู่ในหัวใจเป็นเสด็จพ่อรอห้า 5. เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ลงคลุกคลีกษัตริย์ซึ่งสมัยแรกการที่สามยังยิงตาอยู่นะสมัยแรกการที่สามยังยิงตาคนดูในหลวงอยู่นะแต่าการที่สามไม่ยอมไม่ยิงพรราแรกการที่สี่ท่านก็ปรับลงมาเยอะแต่ระยะเวลาเนี่ยไม่มากไม่มากพอนะไม่มากพอแต่ท่านท่านก็ปรับอะไรลงมาเยอะเลยคลุกคลีกษัตริย์ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเฝ้าไม่ต้องไปหมอก้มอย่างนั้นนา น, น, าน จะถวายบังคมก็ถวายแล้วก็นั่งสบายๆอะไรแต่เ น, นี้ยฮะแบบมาคุยกับพระตอนท่านบวชเป็นพระเนี่ยาชาวบ้านเข้าๆมาคุยกับพระซึ่งซึ่งหมายความมาสามัญอยู่เยอะแล้วเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ที่จิตสูงจิตสูงได้จะกำหนดอย่างอื่นให้สูงหมดเราจะอยู่ตามก็คือสูงเราจะลงมาคลุกคลีกับราตรอดยังไงก็ได้อยู่สูงราตรไม่เล่นหัวเราหรอก แต่เขาจะเคารพเธอทูลสักการะเป็นเปลือกคุ้มห่อให้นั้นคือหลักเรามีตัวอย่างบุคคลอยู่การไิบัติตรงนี้ในเรื่องของศีลมันให้แค่เน่ยความร่ารวยเนะี่ยให้แค่สมบัติในโลกนี้เป็นพระราชาก็ได้สมบัติแก่โลกนี้แต่ศีลนั้นเป็นสมบัติติดใจ ต, ติดตัวติดอยู่ในสังสารวัฏเป็นเงา นะเป็นเงาก็คือบุญเงาบุญนะฮะเป็นเงาบุตรที่ติดตามเราไปทุกคนทุกแขกแล้วก็ทรงสแสดงว่าเนื่องจากมาเป็นสวรรค์สมบัติ ด, ด้วยนะฮะเนื่องจากเป็นสวรรค์สมบัติ ด, ด้วยความประณีของศีลจำแนกชั้นสวรรค์แล้วก็ทรงบอกบอกว่าสวรรค์ น, นี่ยสวรรค์นับจากดาวพฤหงษ์วะดาวพฤงษ์วันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์จะดาวพฤหงษ์ไม่ใช่ไม่ใจ้าตุมารา ก, ก่อนนะฮะจาตุมารากร โลกมนุษย์ในห้าปีเขาวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองนะเขาวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าบังเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวปรดึงอายุอายุไขอายุไขของเทพบุตรเนี่ยมันคืออะไรร้อยปีเมืองมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวประดึงนะที่เคยเล่าเรื่องนางปาติปูชิกาที่เป็นเทพธิดาจุติลงมาจากสำนักของมาราภารีเทพบุตร ลึกชาติได้ทำบุญทำกุศลเป็นอุบาสิกาตายุหกสิบกว่าปรากฏว่าโผล่พรวดเกิดไปก็ไปเกิดเลยนะฮะมาลาท า, ารีเทเบรุ ท, รทรันไมทับเอตะกี้หายไปไหนถาม่าตะกี้หายไปไหนนะ <c oughs> แต่เขาหายมาตั้งหกสิบกว่าปีหายไปหกสิกว่าปีข้างบนเพิ่งรู้ว่าหายไปฮะพอโผล่ไปถึงหายไปไหนแต่ น, นั้นเองอายุมันหัางกันทีนี้ มาถึงชั้นจัตุมรัชั้นยามนะฮะชั้นชั้นดาวหึงชั้นยามชั้นยามก็เพิ่มกันอีกหนึ่งร้อยถ้ามีคูณด้วยนะฮะเป็นสองร้อยหมายความว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นยามก็คือสองร้อยปีในโลกมนุษย์ก็ก็ เ, เ, เพิ่งเกิดได้วันเดียทีนี้ถ้าไปชั้นดุสิตมันก็สี่ร้อยปีในโลกมนุษย์เขาก็วันหนึ่งคืนหนึ่งชั้นนิ ม, มาราดีแปดร้อยเลยทีนี้ แปร้อยปีในโลกมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนไม่ใช่แปดรอยปีในโลกมนุษย์ใช่เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งในสวรรค์ชั้นนิ ม, มาราตีถ้าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงสุดในกาลมปรจรนะฮะคือปรินิมิตวัตสวัสดีนั้นมีอายุถึงพันหกร้อปีในโลกมนุษย์เนี่ยวันหนึ่งคือหนึ่งนั้นเองเขาเขาขาเพิ่งวันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นเองดูแล้วไมันก็น่าเชื่อนะ ได้จยลืมว่ามันเป็นจักรวาลมันเป็นโลกวันเวลาเนี่ยมันก็อยู่ที่การหมุนรอบตัวของดาวที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นเองของเราก็วันหนึ่งคือหนึ่งเขาก็หมุนรอบตัวแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ดาวบางดวงในหมุนรอบตัวเมื่อโลกเราผ่านไปตั้งสองสามร้อยปีละไอ้เพิ่งไอ้ทุนเพิ่งหมุนรอบตัวได้ลแล้วในแง่ของของความสุข ยังเป็นสังสารวัตรนะฮะอย่างหมุนบุญอยู่ในสังสารวัตรแต่มันก็ประนีตขึ้นนะมันก็ทุกน้อยลงข้าไปชมแดนโรคเอดในคุกสีของเฟรมอู้คนเป็นเอดู่ต้องสองร้อยกว่าคนเด็กหนุ่มทั้งนั้นเลยยังหนุ่ม ย, ยังหนุ่ ม, มแต่บางทีหน้าหน้าเป็นห่วงนะคนแก่อยุ่งเจ็ดสิบกว่าเนี่ยถามว่ายมไปทำอะไรมาขายสิ่งเสื่ติด มีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองถามว่ามีเท่าไหรยี่สิบห้ากิโลโอ้โหตายแล้วพวกพายาเสพติดตั้งยี่สิห้ากิโลคนเจสิบเอ็ดปีแล้วนะคนเจ็ดสิปีแล้วคนกแก่ๆตั้งหลายคนเดินชมหมดทังทางทงคุกเลยดูแดนต่างๆเออแต่เขาดีขึ้นเย อ, อะฮะก็ปรับปรุงดีขึ้นเยอะบอกบอกท่านอธิบดีบอกว่า มันมันก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดนะพี่น้องเราอย่าเอาไปไหนแล้วเราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้แหละทำยังไงวะให้แกมีทัศนคติที่ดีต่อราชการแต่น่าซึ้งนะซึ้งมากเลยว่าหัวหน้านี่เรียกนักโทษลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้นซึ้งนะฮะมาว่าซึ้งมากเลยไม่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้นั่นอะไรเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ถือต่อพดมันเปลี่ยนมันปรับไปเยอะเลยครับ ไปมากๆก็ก็เด็กก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมีต่างชาติอยู่ตั้งสี่ห้าสิบชาติเยอะเลยเอามาบอกต้องคิดใหม่ตัวนี้ไอ้พวกนี้ไอ้ตั้งวงเรียนภาษากันไลเอาคนไทยมานั่งกับฝรั่งมันก็เรียนกับไทยไทยเราก็เรียนกับเขาเขาก็เรียนกับเราดีกว่าให้เด็กเป็นว่างช่วยกันช่วยกันก็ สรุปว่าก็คือพื้นฐานก็เมตตาเป็นหลักธรรมะปฏิบัตินะฮะเป็นหลักธรรมะปฏิบัติตรงนี้ที่จริงไม่ไม่ต้องนับศีลเลยถ้ามาอยู่ตรงตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องนับศีลมันก็เป็นทีมไปอานิสงส์ในตอนนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ระดับสวรรค์ตกแต่งพบชาติได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นการรักษาศีลแบบอริยะนะฮะ อริยะโดยยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็ได้เอาพระธรรมเป็นหลักปฏิบัติก็ได้เอาพระสงฆ์เป็นแบบก็ได้หรือเอาเอาประสบปฎิกาของเราเนี่ยเป็นแบบไปทํำยังไงอะฮะคนรักษาบโวสดุโสดโวสุต้องเย็นนี่ยนะฮะมันที่อยู่เนี่ยอันที่อยู่มันต้องเย็นปนัญหาสําคัญอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลง ตอนนี้มีการประรบกันสองสามคืนนะนั่งนั่งประรบทำมาประรบคนเนี่ยนะว่าทําไมอายุมากกิเลสมากมันคือปัญหาใหญ่เลยอายุยิ่งมากกิเลสยิ่งมากโกรธยิ่งมากโลภยิ่งมากหลงยิ่งมากไม่คิดถึงความตายประมาทกันจังเลยนะคนเนะี่ยประมาทกันจังน่าห่วงมาก ยังนั่งคุยกับบนนี่ไม่เห็นแก่ระษาศานาเข้าป่าดีกว่าแล้วนะไม่น่าอยู่แล้วเลยนี่แต่นี้จะเข้าป่าขยับหลายเจี่ยวเลยเมื่อวานนี่ยก็ประรูจะลาออกแกตําแหน่งรองอธิการพอดีพวกก็ไม่ยอมพวกก็ไม่ยอมไอ้พวกนักศึกษาบอกว่ า, ว า, าการที่ผมได้เรียนกับอาจารย์คือศักดิ์ศรีของผมที่ผมอ้างได้ไดเรียนกับอาจารย์คุณราชธรรมนิเชติมันมันมันคนมันก็เดาว่ามันมันไปเสริมเครดิตให้ลูงสิทธิ์เลยก็ได้รุ่งรังบันเตอยู่ในตีนเนี่ย รุงรังพันเตอยู่เราก็ไปไปเตคนนั้นดึงขาทีคนนี้ดึงขาทีไอไปนี่พ่านก็ไม่ได้ไปยังไงไงอย่าช่วยดึงกันลงนรกกัแล้วกันฮะดึงกันไปดึงกันมามั่วๆไปหมด้ก็ปลารบจะลาออกไอ้พวกเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงครูมาอาจารย์เขาก็ไม่ยอมให้ออกเราอ้างว่าเราแก่แล้วเราหกสิบแล้วเขาบอกผมแก่กว่าผมนั่งเจ็ดสิบยังไม่ออกเอาแต่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆคือห่วงลูกศิษย์ ห่วงลุสีดกระหว่งกวงตัวศาสนาห่วงตัวาศาสน า, ส า, นาที่ว่าเรายัางมีเรี่ยวแรงจะทําอะไรได้แต่เ่างั้นนะเข้าป่าไปเอาเฉพาะคนประเสริบิดกสร้างหนังสือตําราได้หลายเล่มนะฮะถ้าไม่ได้ตายได้ก่อนเนะี่ยคือถ้าปล่อยให้ทําได้ลําพังนะฮะไม่มีเรื่องยุ่งเลยมาจะทําหนังสือเร็วมากเลยหนังสือได้เร็วมากๆสามารถที่จะหนังสือเล่มไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนี่ยทำมาเดียวเสร็จได้เลย เราไม่เคยมีเวลาจริงๆไม่เคยนั่งโตจริงๆก็เสียดายงานตรงนี้เหมือนกันแต่ก็คงเอาอะไรมากไม่ได้นะคัฉะนั้นก็เอาแต่ว่ามนุษย์สมบัติให้ได้ประโยชน์ในระดับมนุษย์ก็อย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยของสวรรค์แต่อย่าลืมนะสีนั่นเป็นบารมีถ้าเรามองถึงการลดกิเลสและท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสมันลดหมดทั้งโลกตลงสีนะลดหมดทั้งโลกตรลง เพราะงั้งงนท่านยังบอกว่าสีเลนนะี่นิบูติงยันติได้เห็นนะฮะถ้าโรคควหลงไม่ลดมันจะเป็นนิบูติงยันติได้ยังไงมันก็เป็นนิบุติงยันติได้ในพวกนัทใจไม่ใช่วิกานัทใจคีมาลาอุจานะฮะสีข้างหลังสามข้อสีข้อนะฮะแต่จริงสีข้อเนี่ยมันไปนลดตัวความโลคความหลงเป็นลดตัวความโรคความหลงนี่เป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าเมื่อโลภมันลดเนี่ยตรงนี้ศีลวิกากับศีลนัจะขีมาลาเนี่ยอุจจารเหมือนกันนะฮะมันไปลดตัวกามรารักะตัวกามรากะลงไปเพราะแต่ละอย่างมันกระตุ้นกามราคะกระตุ้นกามรารักะคืออะไรก็คือกามฉันในนิวรณ์เห็นไหมจิตไม่ส ง, งบไม่เป็นสมาธิเพราะนั้นพอลดตรงนี้ได้มันก็ไปไปแก้ที่ตัวนิวรณ์ข้างบนนั้น แล้วไม่ใช่แก้ที่ตัวนิวรณ์อย่างเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าในนิโรดนั้นไม่ไม่ใช่ในสังโยชน์ซึ่งซึ่ ง, งพระอริยธละได้ไม่มีการมาราคาอยู่ยังไม่ต่อการเป็นแถวในตรงนี้งดเว้นศีลมาละไม่ใช่อะพลัมอะพลัมวิกาม马 า, านัจคีอุจจาทั้งสามนี้เป็นเรื่องราคะเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องเพศทนั้นเลยแล้วก็รุนแรงเ รุนแรงด้วยเราก็ลดลงมาจนหยุดงดเว้นแล้วก็ไม่มีสร้างตัวกระตุ้นคือไม่มีแม้ภายในจิตในการรักษาศีลไม่เข้าถึงจิตงดเว้นแนวอภัมณ์นั้นบางทีไม่เข้าถึงจิตจิตยังคิดยิตยังคิดหรืออาจจะไม่คิดได้แต่ว่าถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมันก็คิดตอนนี้ไม่คิดเลยเพราะว่าตัวกระตุ้นก็ไม่มีก็แสดงว่าศีลมันเข้าถึงจิตจิตมันก็ประณีตขึ้น ไปลดตัวราคะไปลดตัวโลภะไปลดตัวโมหะนี่ที่ชัดมากสุรานั้นเป็นโลภะกับโมหะที่ชัดเมื่อเราสมาทานสุราได้เราก็ลดตัวโลภะกับตัวโมหะลงไปแต่สุราพอมากเข้าโทสะนะเกี่ยกับการทนะเลาะวิวาสเห็นไหมพอเราตัดกระแสตัวนี้มันก็ลดได้ทั้งโลทั้งกฎทั้งโล ก, โ ล, กลดได้ทั้งโลกทั้งกฎทั้งล มุสาวาตนั้นเกิดมาจากโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะ ก, ก็ได้ก็แล้วแต่โมะมุสาวาทที่เกิดมากมันเกิดมาจากโลภะเราจะเห็นว่าพูดส่วนใหญ่เนี่ยก็ เ, เรียกว่ารู้ไถเนยะคือมันพูดออกมาด้วยนี่พูดด้วยความโลภพูดด้วยความอยากได้ สังคมยุคาสารสนเทศปัจจุบันนั้นเป็นสังคมที่ถูกโน้มน้าวด้วยราคากับโลภะท่านหลายเรอสังเกตไม่ว่าเพลงกิจกรรมต่างๆแต่ต่างติดตัง้งข้อสังเกตไว้ในเียงต่างเพราะถ้าสภาพสังคมอยู่อย่างนี้นะปัญหาอัชญากรรมจะแรงเพราะเราไปถามนักโทษทีวันนั้นนะถามถามเด็กดดนุ่มๆเนี่ยมีอะไรรึไหม มีชิงทรัพย์กับคุมคืนไม่เรื่องในเรื่องไม่น่าเชื่อชิงทรัพย์เนี่ยขึ้นไปแปดสี่สิบแปดเปอร์ซนของคดีทั้งหมดสี่สแปดเอร์ซของคดีแล้วรองลงมาเป็นคมขืนก็สิ่งเสียติดอันนี้คือการกระตุ้นมาจากนณะมีตัวกระตุ้นแล้วก็ทาให้เด็กของเราเนี่ยเด็กซึ่งซึ่งหน้าตาดีๆอนาคตควรจะดีๆเนี่ยก็ถูกสิ่งนี้ปลุกเรา จนจิตใจวิปริตไปหมดทีนี้เมื่อเมือม่อเราควบคุมไว้ด้วยศีลมันมีตัวตัว ย, วย่อยยุแต่ว่าถ้าไม่ล้นมัน ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่ล้นเนี่ยฮะไม่มีปัญหาอะไรเรนี่มันมีแฟชั่นเมื่อวานซื่เนี่ยเดินขบวนมหาธมารายเนี่ยไปที่กรมการตนารายเนี่ยมากี่เกียรยุ่งเลยโทรโทรเรียกจะ หน้าที่กรมไม่มารับไปที่กรมด้วยเกลียดจุง้งไอ้ น, นี่ก็มีอไรฮะเรื่องโลภ ก, ก็โกรธเดินขบวนไล่สมภารทัททสองแห่งเดินขบวนไล่สมภารทัททสองแห่งมาหลายเชี่ยวแล้วแตเราก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปกครองนะฮะเราไม่มีอำนาจในการปกครองเอามาว่าคนส่วนหนึ่งนี่แกนึกใครไม่ออา แต่มามีชื่อโพรทังโทรทัศน์ตอนหัวค่ําก็ได้ยินนะเวทายุมีมีชื่อบ่อยมนก็นึกแล้วคนก็รู้จักมานานแล้วนะะไม่มีอะไรก็มาหาเราเลยแต่เราเราเห็นตรงนี้นั่นคืออาการอาการของกิเลสยันมีอยู่ภายในใจคนมาเราจะเห็นว่าพูดพูดพูดพูดพูดเทศส่วนใหญ่เนี่ยเพื่พูดเรื่ความโลภพูดเกินจริงพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมางทีพูดเพื่อล้างผลาญคนอื่นด้วยความริษยา ก็ไปเตือนก็ในคุกเหมือนกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่น่าเชื่อสังคมพุทธแต่ ว, ว่าใครเดขึ้นมาพระข่าหมดเลยเอาข่าวสื้อพิมพ์มาฆ่าเอาอะไรมาฆ่าทาลายหมดเลยเรื่องคือเราขาดจิตสำนึกที่ดีงามตรงนี้เราไม่ดูอายุธยาสี่ร้ยสิบเจ็ดปีเราฆ่ากันเท่าไหร่จากเจ้าเป็นพร่าจากไพรเป็นเจ้าเจ็ดเจ็ด เจ็ราชวงศ์ครฆ่ากันในตอนสุดท้ายราชวงศ์ท้ายสะะนี่ในพิธีราชาพิธีที่จะแห่ศพไม่มีเจ้าหน้าที่มันตายหมดมันดูฆ่าตายหมดเลยคนเกิดไม่ทันนะนะคนมาเกิดไม่ทันกว่าจะได้มาคนหนึ่งไม่ใช่เล่นน่ะแล้วไปฆ่าทิ้งกันหมดเลยผลทายประค่าสึกออกมาข้างนอกเลยไม่มีคนรบปืนกระพอิเมืองเลยไอ้นี่มัน้องเป็นบทเรียนเลยนะ เป็นบริเวณ น, นี้เรากำลังฆ่ากันฆ่ากันอย่างแรงมากเลยอย่างเพศซาอูนี่เอาคนมาฆ่ากันตาไหลลองดูคนเหล่านั้นคือทรัพยากรมนุษย์จริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้ว่ามันมันเอาข่าวหนังสือพิมพ์เขาม า, ม า, ม, ามาดาา่ากันแล้วด่าเขาเนี่มันแก้ยากครัคนเราพอถูกพอถูกเพื่อนคือคนเราเวลาพูดถึงความชั่วเนี่ยมักจะเชื่อพูดถึงความดีไม่เชื่อหรอกไม่จริงอะ ใครไปยอ่อใครดูแต่มีคนค้านยแต่คุณพูดถึงความชั่วของใครหือหรือหรือไอ้ไงนะโอ้ยนั่นยางงั้นด้วยนั้นโอ้มันสนุกมันมันมันอะไรก็เรียกเมากันสนุกจำนวนเด็กๆไวัยรุ่นเรียกเมากันสนุกเลย <c oughs> สะสมบาปคนชอบสะสมบาปเพราะงั้นพระเจ้าจึงจึงจึ ง, จ, งจึงสง่งบัญญัติสี่เพื่อไม่ให้สะสมบาปเพราะวาจาเนี่ย สรงใชายกว่มามุขสติหอกหอกมันติดปากมาสติก็คือหอกหอกปากใช้ทิ่มตำนะใช้ด่าใช้ทำลายร่างคนเมื่อเกิดจะอะไรเกิดจะโทสะเกิดจะโลภ พ, พูดดีๆบางทีก็ไม่ได้พูดโดยเมตตาแล้วพูดโดยโลภะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยเนี่ ย, ยพูดพูดแทนพูดอย่างนั้นเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องไม่รู้เป็นยังไงคนเดียวคือคือมันก็หวานเวรันหวานจนเละเลยอันี้คือคื อ, ค, อ, ค, อคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องศีลทั้งหมดนั้นเป็นการลดโลภะโทสะโมหะก็ทําให้แม่จางลงไปจริงๆตรงนี้ท่านจะเห็นว่าข้าถึงใจหมด มายความไหมสมาธิอ่อนๆเข้าไปสมาธิไปตั้งๆเรียกว่า 25% 30% แล้วนะเข้าไปสมาธิเยอะแล้วคือใจไม่ได้ฟุ้งสั้นไม่ได้ซัดสายไม่พลั่นไม่ถึงกับพลั่นไปนในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ตอนท า, าได้ยิ่งกันไปกว่านั้นก็ถือว่ามันเสร็จภารกิจแล้ว ตอนเย็นก็ไม่ต้องหงหายแต่กรอาบน้ำอาถ่าไหวพระสดผลนั่งสมาธิหรือแม้แต่นอนนะฮะมาทําใจสงบแล้วลึกถึงศีลเป็นศีลานุาติดูที่ศีลก็เราดูศีลก็เราว่าที่เรารักษามาเนี่ยเป็นยังไงบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์มันก็เกิดปีติพอเห็นความบริสุทธิ์ของศีลจะเกิดปีติพอเกิดปีติก็จะเกิดปัจ ส, สถานีคือจิตมันเริ่มสงบลงสงบลงจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญ า, ามาก็วินิจฉัย เป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็ให้นิพพานพรสีนบา ร, รมีอย่างที่บอกว่านิพพานก็คือความสมบูรณ์พร้อมของสีนสมาธิปัญญาหมายความไงหมายความว่าโลกกุลงหมดก็ท่านนั่นเองก็ท่านเอ ง, ก, เองก็นิพพานแต่นั้นเองพระปุริทัตโพ ธ, ธิสัตวเราเห็นลักษณะการรักษาสีลอท่าน พอถึงจุดนี้แล้วจุดนี้ยอมตายไม่ยอมเสียสินนะแต่ว่าหายากลักษัะของบัณฑิตทิ้งทรรมเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยโทรคุยกับลูกศิษย์ติรัฐสภาก็เวลานี้มันทำงบมาเห็นสมมตรริว่าโครงการเนี่ยสิบห้าล้านมีคนวิ่งเต้นแต่ทำโครงการเป็นสิบเจ็ดล้านสร้างจริงสิบห้าล้าน ให้ตัววิ่งเต้นในสองล้านและยังเบี้ยบ้ายรายทางอี ก, กถึงวัดจากสิบล้านกน็ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ร, รวบรวบร่วมกันทำชั่วโดยเงินขอแผ่นดินทรัแผ่นดินนั้นตกน้ำไม่ไหลายตกไฟไม่ไมแต่เวลานี้คุณคนเขาไม่สนใจให้ตกในกระเป๋าเขาก็แล้วกันคือไม่ได้สนใจแนวนี้ถึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆว่าคนรัวบาว นาคนไม่เคยบาปยิ่งเข้าไปศึกษาใกล้ชิดในวงการน่ะมามันรู้อะไรเยอะนะมีคนโทรเล่าอะไรเยอะถึงวงราชการนันมันมั น, ม, นมันทำให้หดขู่ว่ามันจะมันจะไหวหรือมันจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันได้หรือเปล่าเราสือว่าแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นภูเขาของพุทธธรรมเท่านั้นคนเราถ้ายังไม่กลัวบาปแล้วยัง ยังไม่นึกถึงความตายนะฮะยังไมไ่ถึงความตายเนี่ยโอกาสที่จะประคับประคองตนให้อยู่ในคลองของศีลเอาขนาดศีลเนี่ยขนาดศีลบรูสต์เนี่ยศีลบรูสต์เอาเอ า, เอาขนาดศีลห้าก็ได้นะศีลบรูสต์ก็อย่างที่ว่าวันเดือนละสี่ครั้งเตอนนั้นเด็กน่าคงทําได้ยากความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดว่ายังวันก่อนไปนะครศรีธรรมราชเป็นภาพที่เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะ แล้วมาไปบอกที่นครบอกว่าพลาดนี่จะไม่เกิดอีกแล้วแวต่มาไปฝนกำลังโปรยโปรยคนกำลังเดินเวียนเทียนเจ้าหน้าที่ขออาท่านมหามาแล้วช่วยช่ยช่วยพูดหน่อยสิมาบอกเป็นวัดพูดไม่ได้ขอหน่อยหนะ้าขอหน่อยสิผ้านาทีก็านาทีก็ เ, เ, เอาพูดระยะยองฟังหน่อยก็มากันมากอะแล้วเราก็ยืนมันก็เสมอเขาก็วางบนโต๊ะข้าวอ๋อให้นั่งเก้าอี้บนโต๊ะเฉย พูดเริ่มพูดในโยมเริ่มนั่งนั่งเหมือนกับใบไม้มันลู่ลมนะนั่งปึ๊บขาพืดเป็นลานพระบรทธมาทโอ้โหมันภาพสวยมากภาพสวยที่ไม่มีอีกแล้วนอกจากว่าจัดฉากเอาเวลานี้มันไม่มีนะภาพอย่างนี้นนะคนนิมนตนะ์มาไปพิปลาเอามาไม่ยอมไปเอามาบอกรับรองไม่มีคนวังไม่ต้องไปดู ปรากฏว่าปรากฏว่ า, ว า, ว า, วาไม่มีคนฟังไงพระองค์หนึ่งด้านเจ้คุณองค์หนึ่งท่านนั่งพูดท่านบอกว่าเนี่ยมีอสุรกายเต็มไปหม ด, ดบนกอีเนี่ <laughs> นั่งพูดพูดแล้วก็อีกฟังพูดแล้วก็อีกนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าความหาเอา่ยเหินห่างจากศีลธรรมเนี่ยสูงขึ้นถ้าเรากลับมาสู่ที่ศีลอย่างน้อยขนาดศีลห้าได้เนี่ยอะไรอะไรมันคงจะดีขึ้นมากวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทันี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุรในธรรมจงมีท่านสาธาชนาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านตื่